เดี๋ยวจะพูดธรรมะหน่อยนะขอให้ตั้งอยู่ในความสงบทุกวันเสาววันอาทิตย์และ ว, วันพระก็จะมียาเิียวขึ้นมาบนเขามาฟังเทศน์ทังธรรมตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองโมงแต่วันธรรมดาก็มีขึ้นมาเหมือนกัน ขึ้นมาไม่มากเหมือนกับวันสาวันอาทิศกับวันพระมาที่นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่มีพิธีกรรมพิธีกรรมนี่เป็นเหมือนผักชีลวยหนะ้าที่นี่มีแต่เนื้อทอดไม่มีแตงกวาไม่มีผักชีถ้ามวยก็ไม่ต้องไหว้ครูเพื่นไมทีก็ซัดกันเลย การระหว่างธรรมะกับกิเลสชีวิตของพวกเรานี้เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะกับฝ่ายกิเลสถ้าฝ่ายธรรมะมีกําลังมากกว่าเราก็มีความสุขมากกว่าความทุกข์ถ้าฝ่ายกิเลสมีกําลังมากกว่าธรรมะล้วก็จะมีความทุกข์มากกว่า ความสุความสุขความทุกข์ของเราทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเงินมากขึ้นหรือน้อยลงมีตำแหน่งสูงขึ้นหรือต่ำลงมีคนสรรเสริญมากขึ้นหรือน้อยลงมีรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพะต่างๆให้เราได้เศษได้สัมผัสมากน้อยไม่ได้เป็นตัวสําคัญ ที่จะสร้างความสุขด้ือความทุกให้กับเราเพราะถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขสร้างความทุกข์ให้กับเราคนที่มีเงินมากมามีตําแหน่งสูงๆจะต้องมีความสุขมากมากว่าคนที่ไม่มีเงินมากมาไม่มีตําแหน่งสูงสู เพราะว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งสูงสูงไม่มีเงินมากๆกลับในความสุขมากกว่าเช่นคนอย่างพระพุทธเจ้าคนอย่างคุูบาจารย์ที่ประพาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายที่เราให้ความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาท่านเป็นคนที่มีความสุขมาก ทั้งๆ ท, ที่ท่านไม่มีทรัพสมบัติเลยไม่มีตำแหน่งอะไรเลยแต่ใจของท่านมีความสุขที่เรียกว่าปรารังสุขขงังนั่นก็เป็นเพราะว่าใจของท่านมีแต่ธรรมะมีธรรมะมากกว่ากิเลสหรือไม่มีไม่มีกิเลสเลยมีแต่ธรรมะล้วนๆใจเป็นธรรมล้วนๆ อันนี้แหละเป็นเหตุที่จะให้มีความสุขหรือมีความทุกข์ดังนั้นพวกเราอย่าหลงทางกันอย่าไปหลงทางคิดว่าการมีเงินทองมากๆ ม, ม, มีตําแหน่งสูงๆ ม, มีผู้สรรเสริญเยนิยนยอยกย่องมากๆ ม, ม, มีลูกเสียงกยลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆให้สิ่ให้สัมผัสจะเป็นเหตุ ที่จะทําให้เรามีความสุขกันมากๆความสุขมากๆนี้อยู่ที่การมีธรรมมากๆความทุกข์นี้เกิดจากการมีกิเลสตัณหามากๆากดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขมากมเราก็ต้องสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมากๆถ้าเราอยากจะให้ไม่มีความทุกข์ ภายในใจเราก็ต้องดับดิเลตปัญหาให้หมดไปนี่แหละคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุสทรงรู้แล้วบางส่วนบางที่ยังไม่ได้ตัดสรุเต็มที่เต็มรูปแบบถ้าไม่รู้เลยก็องค์จะไม่เสด็จออกจากพระราชวังจะไม่สละลาบยศจะรัเสริญ จะไม่สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาสร้างธรรมะด้วยการเป็นสามะนักบวชปฏิบัติธรรมรักษาสี่งเจริญจิตตภาวนาในเบื้องต้นกรทรงเจริญได้เพียงระดับสมถภาวนาก็คือการทำ พระไทยของพระองค์ให้สงบเวลาพระไทยสงบแล้วกิเลสตัณหาก็ถูกผูกมัดไว้หรือถูกกดไว้ถูกยับการทำงานไว้ชั่วคราวตอนนั้นพระไทยของพระองค์ก็มีความสุขเพียงอย่างเดียวตอนนั้นมีธรรมะ อย่างเดียวก็คือความสงบนี้เองความสงบที่เกิดจากการเจริญสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางกิเลสตัณหาคิดไปในทางความโลภความอยากต่างๆพอหยุดหยุดการคิดตุงแต่ไปในทางกิเลสตัณหาความโลภหรือความอยาก กิเลสตัณหาก็หยุดทำงานชั่วคราวใจก็เลยมีความสุขเป็นที่อยู่ชั่วคราวใจเป็นทรรมนวลนวอยู่ชั่วคราวอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงศึกษาจากพระอาจารย์แต่มีอีกอย่างหนึ่งที่พระอาจารย์ยังไม่สามารถที่จะรู้หรือเข้าถึงได้ ก็คือวิธีรักษาความสงบนี้ให้อยู่อย่างถาวรเพราะเวลาออกจากสมาธิมาแล้วความคิดปรุงแต่งก็จะเริ่มทำงานต่อพอเริ่มคิดปรุงแต่งก็จะถูกปิเลตตันห า, าชักนำไปคิดในทางความโลภความอยากพอคิดไปในทางความโลภความอยาก กเกิดความร่วมร้อนใจขึ้นมาเกิดความกังวลกาวยใจเกิดความกระเสือกกร ะ, กระกสนใจเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาอันนี้เป็นผลงานของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ ต, ตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะหยุดความโลภความโกรธความอยากต่างๆได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใครรู้ว่าวิธีใดจะสามารถดับกิเลสตัณหาได้ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิจนในที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริง ของต้นเหตุของของกิเลสตัณหาความโลภความอยากได้ต่างๆว่าเกิดจากความหลงความหลงคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง เ, เห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน เห็นว่าสิ่งต่างๆให้ความสุขกับใจได้เห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นสมบัติของใจสามารถควบคุมบังคับสามารถสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของใจได้เพราะเมื่อได้ส่งศึกษาดูสิ่งต่างๆแล้วก็ทรงเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน สิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทุกเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เ, เชืนนะะ่อนอากาศตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเทียบเล็กเทียบน้อยแสงตอนก็เปลี่ยนไปเทียบล็กเทียบน้อยในเมืนน่อขณะนี้มัคือความสงบมีอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีลมพัดมา แล้วก็มีใบไม้หล่นใส่หลังคาทำให้ปรากฏมีเสียงขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปดับไปนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่ใจเข้ามาสัมผัสนับรู้แม้แต่ร่างกายที่นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมที่แสดงธรรมอยู่นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาถ้าเพึ่งถ้าเป็นเด็กก็มีการเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ได้เจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็มีการเสื่อมไปตามลำดับทุกขณะทุกเวลานาทีแต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ช้ามากเหมือนกับการเดินของ หอยทาถ้าไม่สังเกต ด, ดูก็อาจจะคิดว่าหอยทานี้ไม่ได้เดินไมไ่นเลยแต่ถ้าทิ้งไว้สักห้านาทีสิบนาทีแล้วมาดูหอยทาอีกทีก็จะเห็นว่าเดินไปหลายหลายก้าวด้วยกันหลายคือนี่คือการเปลีป่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่นิ่งๆอยู่เหมือนเดิม ทุกขณะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าร่างกายของเราขณะนี้กับขณะที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ลงไปอีกหนึ่งขณะแล้วนี่คืออนิจจังความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ถ้าไม่ศึกษาไม่สังเกตดูก็กจะ คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงเส้นคงวาเหมือนเดิมแต่ถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เฉพาะแต่ร่างกายของเราบ้านช่องข้าวของต่างๆเครื่องใช้ไม้สว้อยต่างๆมันเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆของใหม่ก็จะค่อยๆกลายเป็นของเก่าไปทีละเล็กทีละน้อย ของดีของที่ใช้ได้ก็จะไค่อยเสื่อมไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดการชำรุดเกิดการเสียหายที่ต้องมีการซ่อมแซมต้องการมีการแก้ไขเพื่อที่จะทำให้ใช้งานต่อไปได้นี่คือความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรู้ แต่ถ้าใจไม่ฉลาดจะไม่เห็นความจริงอันนี้จะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างจะคงไว้ตามแบบเดิมอยู่จึงมีความรู้สึกที่จะต่อต้านกับเวลาในการเปลีป่ยนแปลงสังเกต ด, ดูความคิดของเราทำอะไรก็อยากจะให้อยู่อย่างท้าวร อ, อยู่ไปอย่างนา น, าน อันนี้เป็นความคิดที่ออกจากความหลงถ้าผู้ที่เห็นความจริงแล้วว่าไม่มีอะไรอยู่อย่างท้าวนก็จะไม่คิดที่จะรักษาให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไปอย่างท้าวเพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดความอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างท้าวนใจก็จะต้องเกิดความ กังวลกังวลกระับกระสายเกิดความวิตกกังวลต่างๆเพราะกลัวจะไม่อยู่อย่างท้าวอนตามความอยากนั่นเองความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างท้าวอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะให้อยู่คงเส้นคงวาให้ดีเหมือนเดิมก็ไม่สามารถอยู่ภายใต้คําสั่งของเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเหตุมีปัจจัยทาให้เขามีการเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปบางครั้งก็เปลี่ยนไปในทางเจริญบางครั้งก็เปลี่ยนไปในทางเสื่อม ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมตามมาเสมอไม่มีใครสามารถยับยัง้งความจริงอันนี้ได้นี่แหละคือสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบที่เรียกว่าวิปัสนาญาณความรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของผู้ใดพอพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนี้ก็เลยยุติการความคิดความโลภความอยากที่จะไปครอบครองที่จะไปควบคุมบังคับให้สิ่งที่ตน ที่พระองค์ทรงรักทรงชอบให้ทรงอยู่กับพระองค์ต่อไปตลอดพระองค์ทรงปล่อยวางยอมรับความจริงว่ามีเกิดเย่อมมีดับเป็นธรรมดามีการเจริญมีการเสื่อมเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาบยกส ร, รรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงเกิดลดปุถุพะ ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายเวทนาก็คือความรู้สึกทางร่างกายอย่างเช่นความรู้สึกมีสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสุขตอนที่ได้สัมผัสกับความรู้สึกสัมผัสที่ดีเช่นรับประทานอาหารดืม่ม น, น้ํา หรือสัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเวลาสัมผัสกับอากาศร้อนเวลาที่ร่างกายหิวหิวน้ำหิวอาหารเวลานั้นก็สัมผัสกับทุกขเวทนาเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สัมผัสกับทุกขเวทนาทุกขเวทนาบางครั้งก็ ดับได้ด้วยการกระทำของเราเช่นทุกขเวทนาที่เกิดจากการหิวน้ําหิวอาหารพอเดือด น, น้ำพอรับประทานอาหารเข้าไปทุกขเวทนาก็จะหายไปชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับเกิดขึ้นมาใหม่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามียารักษาก็ดับความทุกขเวทนาได้ อาจจะไม่สามารถดับได้ทันทีทันใดทันทีต้องใช้เวลาสองสามวันสี่ห้าวันหรือนานกว่า น, นั้นกว่าทุกขเวทนาที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยจะหายไปได้ไม่สามารถสั่งให้หายไป ท, ทันทีพอเป็นหวัดปั๊บก็บอกให้หายปั๊บอย่างนี้มันไม่หาย แล้วก็มีทุกขเวทนาบางชนิดที่ทำยังไงก็ไม่หายก็คือทุกขเวทนาที่เกิดจากความชลาคนทรานี้จะมีความเจ็บตามกล้ามเนื้อตามเอ็นตามกระดูกตามหัวเขา่าหัวข้ออะไรต่างๆนักษาอย่างไรกินยาอย่างไรมันก็ไม่หาย มันก็เป็นส่วนที่จะต้องอยู่กับมันไปผู้ที่ฉลาดถ้าเห็นความจริงว่าเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขขังก็จะต้องปล่อยวางต้องอยู่กับเขาไปไม่ไปวุ่นวายใจด้วยความอยากให้มันหายไปอยู่กับมันไปตามสภาพรักษาได้ก็รักษาไป รักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กันไปถ้าอยู่โดยที่ไม่ได้มีความอยากให้มันหายก็จะอยู่ได้อย่างสบายใจจะสบายใจเย็นจะเป็นปกติเหมือนกับเวลาที่ร่างกายไม่ได้มีทุก ข, เ, ขเวทนานี่คือการปล่อยวางของผู้ที่มีวิปัสสนา พอมีวัดวิปัสสนาแล้วก็จะปล่อยวางความโลภความอยากก็จะยุติการทำงานไปพอไม่มีความโลภความอยากความสบายใจความสงบใจก็จะกลับคืนมาจะอยู่กับความทุกข์ยากลำบากต่างๆได้อย่างไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายกับการสูญเสีย สิ่งต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของหรือบุคคลใจไม่มีความอยากที่จะให้เขาหวนกลับคืนมาหรือไม่มีความอยากไม่ให้เขาจากเอาไปพอเราใจไม่มีความอยากเหล่านี้ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นความสงบใจก็จะเป็นผลที่ ปรากฏขึ้นมาแทนความสงบก็คือความสุขใจนี่เองนี่คือวิปัสนาญาณที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรู้ได้ค้นพบจึงทำให้ก็สามารถดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้อย่างถาวรเพราะความทุกข์นี้เกิดจากความโลภความอยาก ที่เกิดจากความหลงพอเห็นความจริงแล้วความจริงก็จะทําลายความหลงไปพอไม่มีความหลงแล้วความโลภความอยากต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้อันนี้เป็นการทําลายความโลภความอยากอย่างท้าวอไม่เหมือนกับการเข้าสมาธิเป็นเพียงการกดความโลภความอยากไม่ให้ทํางานชั่วข่าวเท่านั้น เหมือนกับเห็นทับหญ้าเวลาหินทับหญ้านี่ยญาจะไม่สามารถเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาได้แต่ถ้าเวลาที่ยกหินออกจากการทับหญ้าแล้วหญ้าก็จะเจริญ ง, งอกงามกลับคืนขึ้นมาใหม่ได้ถ้าไม่อยากให้หญ้าเจริญติตโวก็ต้องถอนหน้าถอนโคน หลนะวิปัสนาญาณก็คือการทาล่าทอนโคลนของเกลเอตันหาก็คือความหลงความที่เห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเราพอเห็นความจริงแล้วก็จะไม่มีความ โลกความอยากได้เพราะเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของคนอื่นเป็นของธรรมชาติเราจรึงไม่เกิดความโลภตอนนี้เราก็ไม่โลภหรือไม่อยากกับเรื่องของคนอื่นบ้านของคนอื่นสมบัติของคนอื่นเราจะไม่มีความโลภอยากจะให้อยู่ไปนา น, าน อยากจะให้มีมากขึ้นไปสมบัติของคนอื่นจะมีมากมีน้อยเราไม่มีความสนใจเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าแม้แต่สมบัติที่เราคิดว่าเป็นของเรามันก็ไม่ใช่เป็นของเราร่างกายนี้ที่เราคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรามันก็ไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของเราเราก็ไม่ไปอยาก อะไรกับร่างกายอันนี้ไม่ได้ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายกงเรื่องของมันเหมือนกับร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จักที่เราไม่มีความสัมพันธ์ด้วยร่างกายของเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่เดือดร้อนจะได้ร่างกายของเราที่เราหลงคิดว่าเป็นของเรา ถ้าเรามีวิปัสสนาญาณแล้วเราจะไม่หลงอีกต่อไปเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราฉะนั้นมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราคืออะไรเราก็คือใจผู้รู้นี่ผู้รู้ผู้คิดนี่แนละคือเราที่มาหลงติดอยู่กับร่างกาอยอันนี้ แล้วก็มายึดติดกับร่างกายอันนี้ว่าเป็นตัวเราของเราพอหลงว่าเป็นตัวเราของเราก็เกิดความอยากให้ตัวเราของเรานี้ดีให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ให้เสือ่อมไม่ให้ทุกข์ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ความทุกใจนี้เกิดจากความอยากคือการวัตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาความอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดโวดทัพก็เกิดความทุกใจขึ้นมาเช่นเวลาอยากจะดื่มสุรานีก็เป็นอยากเสกรูกเสียงกลิ่นลดปวดทัพแล้วพออยากแล้วถ้าไม่ไม่เสกใจก็จะกะวนกวายใจก็จะ วุ่นวบดำคาญแต่พอได้เสพแล้วความกระวลกระวายความวุ่นวิบดำคาลก็จะระงับตัวลงไปชั่วคราวจะกับคืนมาอีกก็เมื่อมีความอยากจะเดิมสุราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะระับมาอย่างแน่นอนเพราะว่าความอยากนี้ไม่ได้ตายไปด้วยการตอบสนองความอยาก การตอบสนองความอยากนี้เป็นการต่ออายุของความอยากให้มีอายุยาวขึ้นไปอีกและมีกำลังมากขึ้นไปอีกความอยากนี้จะพัฒนาใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ได้รับการสนับสนุนได้รับการตอบสนองเทียนตอนต้นอาจจะเดินเวลาเพียงแก้วเดียว ครั้งต่อไปก็แก้วเดียวรู้สึกว่าไม่อิ่มใจต้องซักสองแก้วแล้วครั้งต่อไปก็ซักสารแก้วสี่แก้วปล่อใจมาทั้งร่างกายดื่มไม่ไหวทัานั้นถึงจะหยุดดื่มนี่แหละคือตารหาความอยากวิธีการติบโ ต, ตของกิเลสตัณหาถ้าเราอยากที่จะกำจัด ทำลายเราก็ต้องไม่ทนตามความอยากทุกครั้งที่เรารืนการกระทำความอยากความอยากขั้งต่อไปก็จะอ่อนกำลังลงไปจนในที่สุดก็จะหมดกำลังไปการที่เราจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมีวิปัสสนาอย่างนี้เองเพราะไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดความอยากให้ได้นอกจากจ ความรู้ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับนี่คือปัญญาหรือวิปัสสนาญาณที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้พอมีพระพุทธเจ้ารู้แล้วทีนี้ผู้อื่นก็สามารถรู้ตามได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องลองผิดลองถูกอย่างพระพุทธเจ้าเพียงแต่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติเท่านั้นก็สามารถหยุดความอยากได้จึงปรากฏมนพระอารานตสาวกขึ้นมาเป็นจานวนมากมายเหมือนดอกเห็ดเหมือนกับรอให้ฝนตกเท่านั้นเองพอฝนตกไม่กี่วัน เห็ดก็จะโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเพราะพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนฝนดีๆนี่เองถ้าไม่มีฝนเห็ดก็จะไม่มีวันที่จะโผล่ ง, งามขึ้นมาได้ทันใดถ้าไม่มีพระพุทธจเจ้ามาทรงตัดชโ้ก็จะไม่มีพระอาหามตระสาวกปรากฏขึ้นมาไม่มีผู้ที่จะหุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเขื่นได้ แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดเลงแล้วนำเอาความจริงที่ได้ทรงคนพบนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นก็สามารถนำเอาความรู้นี้มาปฏิบัติมาถอดถอนกิเลสตันหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ อันนี้เป็นความประเสริฐของพระพุทธเจ้าและเป็นบุญของสามโลกที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่สั่งสอนด้วยพระองค์เองแต่พระองค์ได้ทิ้งพินัยกรรมเอไว้คือทิ้งตัวแทนเอาไว้ก็คือพระธรรมคำสอน ที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชื่ออยู่ในการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมาอย่างต่อเนื่องก็มีการเาผยแพ่ทำกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ตาบใดที่ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ตามนั้นก็ยังมีพระธรรมคาสอนอยู่ถ้ามีผู้ศรัทธาสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็สามารถบำบัดบความทุกข์ภายในใจบ้าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นผู้ที่ได้มาพบบพระพุทธศาสนา ก็เป็นผู้ที่มีบุญมีว่าสนามากเพราะสามารถที่จะปฏิบัติทำให้ตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวีนว่าตายเกิดได้เพราะถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ถ้าพบกับพัระศาสนาอื่นก็จะไม่มีคำสอนระดับ วิปัสนาญาณที่จะสอนให้ถอนทอดถอ น, ถอ น, ถอนกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจเพื่อดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปดูศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่สอนเรื่องของวิปัสนาญาณเรื่องของอนิจจ์ทุกขังอนัตตาศาสนาอื่นศาสดา อื่นไม่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าถึงวิปัสสนาอย่างได้รู้ได้เพียงระดับสมาธิสม า, าสมาแบบเท่านั้นหรือรู้จักวิธีเข้าสมาธิทำใจให้สงบเขาก็เรียกว่าเป็นการเข้าหาพระเจ้าความสงบนี้ก็เป็นเหมือนพระเจ้านั่นเอง เวลาใจสงบแล้วใจจะเย็นใจจะมีความสุขใจได้พบกับความสุขที่สูงสุดเพียงแต่ว่าเป็นความสุขเชื่อข่าวเท่านั้นเป็นพระเจ้าเชื่อข่าวพอออกจากสมาธินาก็กลับมาเป็นปุถุชนคนธรรมดาสามัญที่มีกิเลสตัมหามีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากได้ลาบยศชนะเส ร, ริ มีความอยากเสด็จรูปเสียงเก่งมุขพุทธะนี่คือความแตกต่างของพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่นๆในโลกนี้มีศาสนาพเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะนําพาสัตว์โลกไปสู่มรรคผลไม่ผ่านได้ศาสนาอื่นพาสัตว์โลกไปได้เพียงสวรรค์ชั้นเทพและสวรรค์ชั้นผุนเท่านั้น คือพาไปสู่เทวโลกและพรหมโลกแต่ไม่สามารถพาไปสู่มรรคผลนิพพานได้ต้องเป็นพระพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นยังยังไม่สามารถนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการไปถึงเทวโลกถึงพรหมโลกนั้นเป็นการไปชั่วคราว เพราะหลังจากไปแล้วไม่นานกำลังที่พาให้ไปสู่เทวโลกสู่ภูมิโลกนั้นก็จะเสื่อมหมดไปก็เหมือนกับจรวดที่ขึ้นไปในอากาศหรือเครื่องบินที่ขึ้นไปบินในท้องฟ้าเวลาน้ำมันหมดก็จะต้องจอดต้องตกลงมาถ้าไม่ลงมาด้วยการควบคุมคบังคับ ปล่อยให้บินจนกระทั่งไม่มีน้ำมันเหลืออยู่ก็จะไม่สามารถควบคุมบังคับเครื่องบินได้เครื่องบินก็จะต้องตกลงมาแต่ถ้ารู้ว่าน้ำมันจะหมดแล้วก็ควบคุมบังคับให้เครื่องบินด้านลงจอดในที่ปลอดภัยเพื่อมาเติมน้ำมันต่อสัแต่ก็ต้องลงมาวิธีใดวิธีหนึ่งเพราน้ำมันหมดแล้วแั่น้นบุญที่ส่งให้ผู้ ปฏิบัติได้ไปสู่เทวโลกไปสู่พรมโลกก็ย่อมมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเช่นเดียวกันพอหมดแล้วก็เสื่อมลงมาจากพรมโลกก็ลงสู่เทวโลกจากเทวโลกก็กลับลงมาสู่มนุษยสโลกต่อไปกลับมาตามน้ำมันใหม่มาตามบุญใหม่บุญคืออะไรก็คือการทาบุญให้ทานการรักษาศีล การเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้คือดบนระดับโลคิยะบนระดับที่มีการเสื่อมบุญที่ไม่สามารถพาให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดของวัฏสงสารก็ต้องสร้างบุญอีกระดับหนึ่ง ก็คือบนระดับวิปัสนาต้อ ง, จงเจริญพิจารณาให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราเท่านั้นถ้าเห็นความจริงอันนี้แล้วก็จะยุติความอยากยุติความโลภได้พอยุติความโลภความอยากได้ก็ยุติ การจะไปเวียนไหวตายเกิดได้รุติความทุกข์ทั้งหลายได้หมดเนี่อันนี้นะที่เป็นสิ่งที่พทธเต้ะเป็นผู้ทรงค้นทบด้วยตัวองค์เองไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่มีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่มองไม่เห็นเหมือนกับมี เ, เส้นผนบังตาทำให้มองไม่เห็นภูเขาอันใหญ่โตที่อยู่ข้างหน้าของเรานี้เอง พอดึงเส้นผมออกไปท่านั้นเอก็จะเห็นภูเขาอันใหญ่โตที่ตั้งอยู่ข้างหน้าออานิจจังทุกขังอนัตตานี้มันมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหายไปไหน ม, มีอยู่ทุกแห่งทุกคนในสากลโลกนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะโลกนี้เท่านั้นทั้งจักรวาลนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเลยแต่ไม่มีปัญญาที่มา ดึงเส้นผมที่บางภูเขาอันนี้ออกไปจึงมองไม่เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองพอมีวิปัสสนามาดึงเส้นผมนี้ออกไปเท่านั้นก็เห็นหมดเลยเห็นภูเขาอันใหญ่โตที่ตั้งอยู่ข้างหน้าภูเขานี้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้ เห็นลาบโนสนเสริญลูกเสียงกิ่นลดโภตพว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเวทนาความรู้สึกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งข้างนอกทั้งข้างในใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดมีสิ่งเดียวที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือใจที่ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ใจนี่แหละคือผู้รู้ผู้ที่ไม่มีวันเกิดวันแก่วันเจ็บวันตายผู้ที่ไม่มีวันสูญหายไปแต่ใจนี้ถูกเส้นผมบงังผูกเขาไว้อยู่บังตาไว้อยู่จึงทำให้หลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราของเราแล้วพอสูญเสียสิ่งต่างๆที่เป็นคิดว่าเป็นตัวเราของเรา ก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดการต่อต้านต่อสู้เดือนหนพยายามรักษาสุดกาลังสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นตัวเราต่อสู้อย่างไรเดืองหนนอย่างไรพยายามรักษาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้ในที่สุดก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสูญเสียราบักสรัเสริญสูญเสียลูกเสียงกิ่นลด สูญเสียลิดาวานดาสูญเสียสามีภรรยาสูญเสียบุตรธิดาสูญเสียญาติสนิทมิตสหายสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็<อ><ฮ>เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นของเรานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ถาวร อ, อมันไม่คงเส้นคงวามันมีการสิ้นสุดมีการหมดไปเป็นธรรมดาอัออานนี้แหละ ผู้ที่ฉลาดจึงไม่ต่อสู้ไม่ดิน้นงงต่อสู้รักษาสิ่งที่รักษาไม่ได้รักษาไปให้เหนื่อยไปเปล่าๆแต่ดูแลไปตามอัตภาพได้อยู่อยู่ได้ก็อยู่ต้องการให้ทําอะไรพอจะทําได้ก็ทําไปเช่นร่างกายนี้ยังกินได้ก็กินไปไม่สบายไปหาหมอรักษาได้ก็รักษาไปแต่พอถึงเวลาที่ กินไม่ได้รักษาไม่ได้จะไปบังคับให้มันกินได้อย่างไรจะรักษาให้มันหายได้อย่างไรก็ต้องปล่อยมันไปผู้ที่ปล่อยนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายทาไมไม่ปล่อยร่างกายเป็นเหมือนถ่านไฟถ้านร้อนๆที่จับอยู่ในมือทาไมไปจับเป็นไว้ทำไมปล่อยมันไปสิปล่อยมันไปแล้วมันจะได้ไม่ไม่มือเรา ถ้าเราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะไม่ทำให้เราทุกข์ใจถ้าเราไม่ปล่อยเราก็จะทุกข์ใจไปไม่มีวันสิ้นสุดพอก้อนนี้หลุดจากมือไปก็ไปหยิบก้อนใหม่มาใหม่พอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาจับมาหยิบม า, ย, บมายึดมาติดมาทุกข์ใหม่อีกนี่แหละคือเรื่องของเรากับของพระพุทธเจ้าต่างกันตรงที่ พระพุทธเจ้ามีวิปัสสนาญาแล้วพระพุทธเจ้าได้ปล่อยวางหมดแล้วไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรอีกแล้วเพราะพุทธเจ้าจึงไม่ต้องกลับมาทุกข์มาแก่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปพวกเราถ้าเราทาํทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพวกเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันพวกเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไม่ต้งมาแก่มาเจ็ดมาตายไม่ต้องมาทุกกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้อีกต่างไปดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามขั้นตอนคือทำทานรักษาศีลภาวนาทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ เราก็จะหยุดความโลภความอยากต่างๆได้เราก็จะดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้เราก็จะกลับเราก็จะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแกลล่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาตรัยนับุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความน่มเยินเป็นสุขแก่ค้าปลอดภัยจากทุกภยัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอใครที่ยังไม่ได้หนังสือซีดีก็เชิญมาหยิบได้ตามสบายใครอยากจะเอาของเอาอะไรเข้ามาประค r e ถวายก็เข้ามาได้ใครอยากจะถามปัญหาก็ถามได้ ทีดีแ้นครับมีคำถามสั้นๆจากทางบ้านนะครับไอ้จากทางแฟนเพจ น, นะครับแต่ว่าตอบตอบรวมก็ได้ครับก็าถามว่าการที่ เ, าเราทำบุญจับพัดบอมเนี่ยถ้าเราไม่รู้เนี่ย ได้บุญหรือบาปไหมครับถ้าเราทำบุญเพื่อสองเคราะห์ผู้รับทานจากเรานี้ก็ได้บุญแต่ถ้าเราทำบุญด้วยความหลงคิดว่าเราได้ทำกับพระอริยแล้วหวังผลประโยชน์จากพระอริยเราก็จะไม่ได้บุญเพราะเขาไม่ได้เป็นพระอริยะเขาก็จะไม่มี ทาของพระอริยมาให้กับเราแต่ถ้าเราทาเพราะว่าเราเห็นว่าท่านเป็นมนุษย์เห็นว่าท่านเป็นนักเบื่เห็นว่าท่านต้องอาศัยการทําบุญให้ทางของเราเพื่อเป็นการดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของท่านเราทําแบบนี้เราก็ได้บุญะนะั้นอยู่ที่เจตนาของเราว่าเราทําเพื่ออะไร การทำบุญเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นให้ความช่วยเหลือให้ความสุขแก่ผู้อื่นแม้แต่ทำกับเดรัจฉานก็ได้บุญบุญก็คือความสุขใจเช่นเวลาเราปล่อยนอกปล่อยปลาอย่างนี้เราก็มีความสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือให้เขามีชีวิตอยู่ได้ต่อไป การให้อาหารก็เป็นเหมือนกับการต่ออายุของบุคคลที่เราให้อาหารนั่นแหละถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ได้บุญแต่ถ้าเราทำเพราะเราคิดว่าท่านเป็นพระอริยนะเราเร า, เราทากับท่านนะ้วเราจะได้บรรลุเองนี้เราก็จะไม่ได้บรรลุเพราะท่านไม่มีทรรที่จะทำให้เราบรรลุได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าใจของเราต้องการอะไรจาก บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นพระจริงพระปอมหรือเป็นภูติชนธรรมดาก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าเวลาเราทำให้ความช่วยเหลือกับบุคคลนั้นเราต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนหรือไม่ถ้าหวังอย่างนั้นก็มีโอกาสที่จะเสียใจได้ผิดหวังได้พอผิดหวังไม่ได้ดังใจก็เกิดความทุกข์ใจ ความทุกข์ใจนี้ก็ไม่ใช่เป็นความสุขนะไม่ใช่เป็นบุญนะความทุกข์ใจก็เป็นบาปหรือเป็นอกุศลที่เกิดจากกิเลสตัณหานี่<ช>ดังนั้นเวลาที่เราทําบุญใส่บาปให้กับพระจะเป็นพระจริงพระปกรณพระปุถุชนหรือพระอริยเจ้านี้เราต้องแยกเป็นสองประเด็นว่าประเด็นของร่างกายท่างเรา ให้อนุเคราะห์ท่านเพราะว่าจะเป็นพระอริยะหรือเป็นพระพุทุชนท่านก็ต้องมีอาหารมีปัจจัยสี่ไว้สําหรับดูแลรักษาอัตภาพร่างกายเราให้ส่วนนี้ไปเราไม่กังวลว่าท่านจะเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นพระอริยะท่านมีหน้าที่บิณฑบาตเรามีหน้าที่ใส่บาตรเราก็ทําหน้าที่ของเราไปส่นการ การที่ท่านเป็นพระอริยะหรือไม่นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องอติดตามดูถ้าเราต้องการประโยชน์จากการเป็นพระอริยะของท่านเราก็ต้องฟังเทศทน์ฟังธรามฟังคำสั่งสอนของท่านหรือถ้าเรามีปัญหาเราติดขัดในการปฏิบัติแล้วเราก็ไปสอบถามท่านถ้าท่านเป็นพระอริยะ ท่านก็จะตอบปัญหาในระดับของที่ท่านเป็นอยู่ได้แต่ถ้าเป็นปัญหาที่สูงกว่าระดับที่ท่านเป็นอยู่ท่านก็จะไม่สามารถตอบคําถามตอบแก้ปัญหาของเราได้การที่เราหาเข้าหาพระอริยะก็เพื่อเราจะได้รับธรรมะระดับของพระอริยะนี้มาสั่งสอนมาให้เราปฏิบัติ เพื่อเราจะได้เป็นพระอริยะเหมือนท่านแต่ถ้าเราเพียงแต่ใส่บาตรแล้วเราไม่สนใจที่จะฟังเทศฟังธรรมไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาถ่องให้ทําบุญกับพระแท้ระดับพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ได้อะไรมากไปกว่าการทําบุญใส่บาตรเท่ทานั้นเพราะเราไม่สนใจที่จะศึกษาและนำเอาไปปฏิบัตินั่นเอง ดังนั้นอย่าไปคิดว่าได้ทาบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วจะทำให้เราบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาทันทีทันใดถ้าเราทาบุญแล้วแต่เราไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราไม่นำเอาไปปฏิบัติเราก็จะไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์แต่ถ้าเราทาบุญทาทานเสร็จแล้วเราอยู่นั่งฟังเทศน์ต่อแล้วพอได้ฟังแล้วก็นาเอาสิ่งที่เราได้ฟังไปปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติได้ครบถ้วนตามที่ท่านทรงสอนไว้เราก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้นี่คือเรื่องของการทำบุญกับพระต้องแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนส่วนแกก็คือส่วนร่างกายคือพระต้องอาศัย ญ, ญาติโยนเลี้ยงดูญาติโยนเห็นพระที่ไหนก็ควรจะใส่บาตรสงองเคราะห์พระไป แล้วญาติโยมก็ได้บุญจากการใส่บาตรทำบุญส่วนถ้าอยากจะได้บุญระดับที่สูงกว่านั้นก็คือธรรมะคือวิปัสสนาญาณก็ต้องศึกษาจากพระอาริยะแท้ถ้าท่านไม่ใช่เป็นพระอาริยะแท้ท่านก็จะไม่สามารถสอนเรื่องของวิปัสสนาญาณได้คงจะเข้าใจนะ ให้เอาความตายของพ่อของแม่เรามาสอนเรานะว่าเขาไปเดี๋ยวเราก็ไปเหมือนเขาแต่สิ่งที่ไปนั้นไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองเราเป็นเจ้าของตุก๊กตาไม่ได้ไปไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะตุกตาเราไม่มีตายไปเราก็ก็ไปหาตุ๊กตาตัวใหม่ถ้าเรายังอยากจะทํานู่นทํานี่ยังอยากดูยังอยากฟังอยู่เราก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกาย ก็ต้องไปเกิดใหม่ได้ตุกตาตัวใหม่แต่คนที่ตายไปนั้นตัวก็ไม่ได้ตายส่วนที่ตายนั้นเป็นตุ ก, กตาของเขาพ่อไม่ได้ตายแม่ไม่ได้ตายพ่อก็ยังอยู่แม่ก็ยังอยู่แต่เขาไม่สามารถติดต่อกับเราได้เราไม่สามารถติดต่อกับเขาได้เขาก็ไปหาร่างกายใหม่เขาก็ไปมีครอบครัวใหม่ไปมีพ่อแม่คนใหม่เีง มีเพื่อนใหม่มีอะไรใหม่ไปต่อไปเราก็เป็นเหมือนเขาต่อไปเราก็ไปถ้าเรายังยุติความอยากไม่ได้ยุติการเวยนว่ายตายเกิดไม่ได้เราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปอีขอให้เราสอนใจเกินสติเพื่อเราจะได้รีบทำบุญรีบรักษาศีลรีบปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะได้ไปอย่างสงบไปอย่างสบาย อยู่ก็อยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายของเราหรือของใครทั้งนั้นเหมือนกันหมดต้องไปด้วยกันทุกคนได้หนังสือได้ซีดีได้ยังต้องการก็หยุดไปเอาไปอ่านเอาไปฟังนะจะได้หูตาสว่าง เส้นผมบางผูกเขาเวันนี้น้นเล็กลพี่วันนี้น้นเล็กน้องสาวแล้วเหรอน้องสาวคนเล็กอ่าคนเล็กคนเล็กน้องสาวลูกน้องสาวน้องสาวแล้วทำไมเราไม่ไม่รู้จักไม่เคยเจอเมเคยยมสมัยเด็กๆนนั้นยังไม่เกิดตอนตอนนั้นยังไม่เกิดใช่ไหมเกิดมาหลงนี่แล้วเกิดมาานเยหลังเกิหลังเขาหลายปีใช่ไห ดูเหมือนลูกมากกว่ายื้สีดิบฟ้าหรวพี่เดินฟ้าฟ้าเขาก็สั่งเวลาใบวายด้วยหควมที่เขาจะเสียยื้อแดงแดงเขาเขาไม่กลัวไงเขารู้ว่าเขาไม่ได้ตายใจ้ย้อให้าสา38ป เโรคฉลา80แต่ที่โบคนที่อยู่เกิน80ก็ถือว่ากําไรแล้วเนี่ยเป็นต่อพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ายังอยู่ได้แค่80ใจนะต้องคิดว่าต้องไปกันทุกคนนะจะได้ไม่เสียใจ ส่นเสียสามสี่อย่างนะสามสีก็ตามกันไปตามกันไปหัวใจหัวใจสอรับล้วตายแล้มอยบอกอยาไปทำอะไรที่เจ้าคงจะนัดไปเจอกันข้างหน้าต่อหมดไปแล้วดีแย้วหลับไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ของเก่าแล้วเปลี่ยนรถใหม่ี่อถ้าคิดไปในทางที่ดีก็ดีว่าได้เปลี่ยนร่างกายใหม่ ร่างกายเก่าแล้วมันชำรุดแล้วถ้าคิดไปในทางไม่ดีก็คือก็ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วแต่จะคิดเพราะฉะนั้นอย่มงเียรงกายไม่มีรอยางไปหรอกนอกจากคนที่ทุกข์มากมากเท่านั้นเองแต่สินจะมองเพียงรางาาถา ประกันยังไม่มีขายเลยไม่ตายแล้วนี่ประกันเขาเป็นประกันคนคนไม่ตายเขาประกันว่าถ้าตายแล้วก็มีเงินชดเฉยให้ประกันมี่งที่ไม่ตายงันต้องเตรียมตัวเต็ียมใจไว้นะเตรียมล้มเตรมล้มชูชีพไว้พอถึงเวลาก็ต่างล้มชูชีพก็โดดออกไปเลยบุญกุศลเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยล้มชูชีพ คิดอยู่เรืยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา อ, อย่างนี้เวลาไปนี่จะตกจากเครื่องเปินนี่จะมีอมชูชีพจะต้จะไม่เจ็บเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเราจะไม่เจ็บถ้าไม่เตรียมตัวเตรียมใจนี่ไปมันโอ้โหมันเครียด<อ>ไปแบบนั้นมีอมชูชีพไปไปไม่เจ็บ ดีแล้วล่ะตายแบบนั้นนะต้องตายแบบนั้นอันนี้ก็หลับไปเลยเอาแค่นี้กันแล้วนะแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีคาวามร่มเย็นเป็นสุแขแล้วค่าดปลอดภัยนะก็ดวงไปสามดวงจะคืออะไรก็คือสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละคือว่าคืออนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นอะไรก็ให้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปคิดว่ามันเป็นอย่างอื่น<ม>คิดว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปถ้าไปอยากให้มันกลับคืนมาใหม่ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามนไปสั่งมันให้กลับมาไม่ได้<ม>เห็นอะไรก็สั่งแต่ว่าเห็นรู้อะไรก็สั่งแต่ว่ารู้รู้ว่ามันเกิดขึ้นผ่านไปแล้วก็ผ่านไปถ้ามันไม่ได้ทําให้เราวิเศษเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ถ้ามันทำให้เราวิเศษแล้วก็วิเศษแล้วถ้าไม่วิเศษก็ไม่วิเศษไม่ต้องไปอะไรกับมันถ้าเห็นแล้วทาให้เราตรงได้ก็ดีถ้าเห็นแล้วทำให้เราหลงก็ไม่ดีถ้าเห็นแล้วทำให้เราปลงปล่อยวางทุกอย่างได้ไม่เอาแล้วเงินทองสามีเจ้าบวชชีแล้วถ้าเห็นอ ย, ย, ย่างนี้ดี แต่เห็นเรายังโลกยังแต่เห็นราอยู่วลกอยากได้เงินทองอย่างนี้ไม่ดีนะถ้าดูแล้วไม่ได้ปล่อยวางเฉยๆก็ช่างมันไปเขามันอย่างเห็นแล้วมันก็เหมือนกับเห็นต้นไม้ใบห้าย่าเห็นแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องไปอใช่เหมือนไปไปดูเขา จุดพู้จุดดอกดอกไม้ไฟอย่างนี้เห็นมันก็สวยงามประการตาดีเห็นเสร็จแล้วก็ผ่านไปก็หมดไปกิเลสมีเท่าไหร่ในใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม จะให้พรก่อน้ะเผื่อท่านที่มีธุระที่จะต้องไปต่อแล้วก็ท่านที่ต้องการจะอยู่สนทนากันต่อก็ยังอยู่ได้ ยะถาวาลวาหาตุลาปริปุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติยจิตังปะทิตังตุมหังคุปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกะปาดันโทปนาราสสยะถามนิชุติ ราสุยถาสัพพิตโยวิวัชฉุตสัพพโรโควินาศตุมาเตปวตวันตารายสุขีทิขายุโกภาวะอภิวาทานสีลิสาิจังุทธาปจายโนจตารธรรมวะทานติอายุวันโนสุขังทาราม Thank mm -hmm. you.